ให้ทราบเรื่องอนุตตริยะหประการให้เราทราบาเคยให้ทราบไปแล้วสองสาครั้งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเห็นการได้ฟังการได้ศรัทธ า, า, าการรู้สึกว่าเราได้ลาบ ได้ศรัทธามาแล้วได้ไปศึกษาได้ไปบำรุงหรือได้ไปละลึกในในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวผู้เจ้าจะแบ่งเป็นสองสองกลุ่มแบ่งเป็นนุ ต, ตริยะก็คือสิ่งที่ดีแล้วก็อนุ ต, ตริยะก็คือสิ่งที่ไม่ดีก็ <c oughs> <c oughs> ระเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าเราเนี่ยเข้าไปได้เห็นได้ยินนได้ศรัทธาได้ศึกษาได้บำรุงได้ระลึกถึงสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดเนี่ยพุทเจ้าตำหนิไว้มากน ะ, อะบอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของผู้ดุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบเ้วยประโยชน์ไม่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบครับเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อนิพพานนะนี่ถ้าเราเห็นตรงตามที่พระศัสดาบอกนะเพื่อเป็นการปิดกั้นนผะัสสะทั้งหลายที่มากระทบนะทําให้เราเวียนเข้าสู่มิจฉาทิฏฐินะเราก็พยายามหลีกออกจากอนุตริยะหกประการนะใน ในส่วนของสมณะก็คื อ, อบางทีเราก็ไม่รู้นะเราก็ไปไปดูซิพวกคนเห็นผิดเขาเป็นยังไงและการเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อลองไปฟังลองไปฟังคำสอนของคนเห็นผิดเขาหน่อยซิเป็นยังไงนะบางทีเราก็มองเป็นเป็นของธรรมดาแต่ผู้เจ้าก็ตาหนิว่ามันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยท่านบอกพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยย่ำไปเพื่อดูช้างแก้วมาแก้วมณีแก้วของใหญ่ของเล็กหรือสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด ภิกษุทั้งหลายทัศะนะ์นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศะนะ์นี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความใลกําหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรสัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้ใดมีความศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความรู่ส่สยิ่งย่อมไปเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าล่วงความโศกความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุยายาธรรมเพื่อทำให้แจ้งสังนิพนธ์ภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าทัศนานุตติยะ <c oughs> ทัศนาก็คือการไปเห็นนะ อันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการได้ไปฟังเรียกว่าสาวนาสาวนานุ ต, ตริยะนะการได้ไปฟังบอกบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองเสียงพินเสียงเพลงขับเสียงสูง ส, งสงูต่ําๆย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือปามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด สิกษุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะผมก็ตรัดไป ว, นะว่าไม่มีประโยชน์เลยในการไปฟังสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความลืมใส ย, ยิ่งย่อมไปฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายพนะระองค์ตรัสเหมือนกันในเรื่องของการได้ศรัทธาบางทีเราไปฟังสมณพราหมณ์ที่เห็นผิดปฏิบัติผิด เราก็ได้ศรัทธามานะการได้ศรัทธาแบบนี้ก็เป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของผู้ดิชนเหมือนกันในส่วนของคาวาจะเรียกว่าเป็นการได้ราบในส่วนของนักบวดก็เรียกว่าเป็นการได้ศรัทธาเวลาเราได้ศ <c> ร <oughs> ัทธาแล้วเนี่ยเราก็จะไปศึกษา คําคสอนของคนที่เราศรัทธานั้นนะผู้เจ้าก็บอกมันก็เป็นการศึกษาที่เร็วเหมือนกันนะก็จะทำให้เธอจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยๆนะนี่แนะนี่ผู้เจ้าพยายามป้องกันพวกเรานะมไม่ให้เข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิเรียกว่าสิกขานุตตะยะก็เข้าไปศึกษาต่อสมณะหรือปรางผู้เห็นผิด ิสมณะรามณ์ผู้เห็นผิดเนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยมันแยกกันชัดเจนว่ากลุ่มพระพุทธเจ้ากับอีกกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันมันสับสนปัจจุบันสับสนว่ากลุ่มพูุ้ทธเจ้าเองเนี่ยกลับไม่ได้ปฏิบัติตามพระุทธเจ้าซึ่งก็จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกั น, นความเป็นสมณะในธรรมวินัยก็จะ น้อยลงไปน้อยลงไปหายไปเรื่อยๆืยเรื่อยลัทธิสสดาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรการมีความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมเป็นอย่างไรไปคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลนะมีเครื่องรางของของลังบันดาลไดนะ้มีน้ําศักดิ์สิทธิ์บันดาล ไล่มนใส่น้ําไปแล้วน้ําศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเราแบบเราสวนนะเราก็ใช้คําซะหลูหลาวะาสวดเจริญพุทธมนตนะ์นะทําให้น้ํามันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วก็มีความเห็นว่าน้ําเนี่ยสร้างความเป็นมงคลได้มันขัดกับความเห็นของพระศาสดาเราไปคนละด้า น, นเดินหน้าถอยหลังกันเลยนะเนี่ยอืมเรา ไปนั่งไล่มนให้กับก้อนดินก้อนอิที่ปั้นขึ้นมาแล้วก็บอกอันนี้เป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์ละก็เราก็จะเรียกว่าเครื่องรางเรียกของกลางนะแล้วก็เอามาเป็นมงคลนะซึ่งผู้เจ้าบอกนี่คือเดลาชานิชานะนี่เป็นความรู้ที่พวกเราต้องทราบนะชาวพุทธต้องทราบนะเราต้องแยกแยะออกว่าอะไร คือคำสอนศา ส, ะสะดาอะไรไม่ใช่นะส่วนโยมจะศรัทธาคำสอนของตถาคตหรือไม่นั้นนะมันก็อยู่ที่อินทรีย์ของโยมว่าโยมมีศรัทธาที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์ตถาคตหรือเปล่าอย่างนี้เราไปมีการกระทำแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่น มุนมาจากคำว่ามันตะมันตาพวนะกปราณตายเพศเขาก็จะเป็นผู้ที่ไล่มนซึ่งจริงๆถ้าโยมสาวไปถึงประวัติของการไล่มลนเะนี่ยมันเกิดมาจากคนที่นั่งสมาธิไม่ได้แล้วก็พยายามมาใช้การท่องบุญนะแทนนะที่พูะเจ้าอธิบายตั้งแต่การกำเนิดของโลกว่าจักรวาลเนี่ยกำเนิดมาอย่างนี้ดวงจานทวงทิตย์ปรากฏอย่างนี้นะ มนุษย์เกิดมาเป็นอย่างนี้นะโคกจากอาภาสรรพรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นยังไงไล่มาแล้วก็หมู่มนุษย์เมื่อมีมากขึ้นเนี่ยนะนะคำว่าผู้นําหรือคําว่ากษัตริย์คําว่าราชาบังเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์นะไล่เลี้ยงมาตั้งแต่คําว่าพราหมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะไล่มาไล่มาเรื่อยๆการสาตยายมนเนี่ย นะมันมาได้ยังไงเพราะว่าทำสมาธิไม่ได้ไอ้พวกนี้เขาจะมานั่งนั่งท่องมนตแตนน ะ, ะสิ่งที่เป็นของของไม่ดีแต่ก่อนนะมันถูกพลิกกลับมาเป็นของดีของประเสริฐในปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะมีในพุทธวจนะคำจากพระโอษฐทั้งหมดเลยแต่ไม่มีใครเอาพระสูตรเหล่านี้มาเปิดเผยให้พวกเราโยมลงไป <c oughs> ทีคำว่า ง, ง้วนดินเข้าไปแล้วก็อ่านเรื่องนี้อ่านพระสูตรนี้ดูพระเจ้าจะละเอียดมากพระองค์ถอยย้อนอดีตไปเนีเป็นเวลานานมากแล้วก็ไล่เรียงลําดับว่าในบางครั้งบางค่าวเนี่ยระบบโลกธาตุเนี่ยล่มสลายเน่ยเสื่อมสลายไปแล้วก็ในการบางครั้งบางค่าวก็กลับเจริญขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นการยืด้านานมากผมก็อธิบายการล่มสลายของระบบโลกธาตุ แล้วก็การเจริญขึ้นของระบบโลกธาตุขึ้นไปครั้งหนึ่งนี่ก็คือลักษณะของมิจฉาทิฏฐิซึ่งเราเนี่ยกำลังเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิตามแบบของสมภาพเราอื่นเป็นนั้นมากซึ่งไม่ต่างกับการที่เราเห็นชัดๆและไม่มีคนไทยที่ไหนทําคือการบูชาไฟ ไม่มีคนไทยทําที่ไป น, นั่งบูชาไฟแต่ในทางกลับกันเราบูชาน้ำนะเราบอกเรามีน้าศักดิ์สนะิทธิ์พวกบูชาไฟก็ก็ไล่มนแล้วก็ทำให้ไฟศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรคิดว่ากองไฟศักดิ์สิทธิ์ของเราก็ไล่นมนใส่น้ำนะว่ามีลายศักดิ์สิทธิ์โยนลงไปที่นี่แล้วสิ่งนี้จะไปโดนบันดาลให้ สัตตานังทั้งหลายเนี่ยมันดีมันเลวขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เนี่ยคําสอนพระศาสดาจะผิดนะไปเกือบครึ่งหนึ่งก็คือคําสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะพระพระพุทองค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไฟศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดพระพุทธเจ้าเรานะ บอกสมพัรร์เราอื่นเนี่ยไปเจอเนี่ยบอกพรามอย่าโมบูชาไฟในภายนอกอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นพูะเจ้าเนี่ยให้กลับเข้ามานะให้แก้ปัญหาที่กายวาจาจิตของเรา <c oughs> เราเข้าใจผิดว่าเลิอดดียามดีคือตัวเลขนะคือตัวอักษรบ้างคือเวลาบ้างคือดวงดาวบ้าง เราก็บอกว่านี่คือเลิกดีดวงดาวเล็งประมาณเนี้ยเลิกดีนิยามดนะีต้องเวลาดวงอาทิตย์มาตรงนี้เวลานี้นะ9นาฬิกานะนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมเป็นนิจชาิทิฏฐนะิดังนั้นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาเชื่อแบบนี้กันแต่อรหันต์ตัสามาสัมพุทธ a เนี่ยไม่เชื่อนะ อรันตาสัมมาสัมพุทธ a บอกว่าเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีนั้นคืออะไรคือขณะที่เธอเนี่ยประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะหรือสถานที่อันเป็นทิพย์โอ้ที่นี้ดีจังเลยที่นี่เป็นที่อันเป็นทิพยนะ์นะเป็นที่ที่เป็นมงคลนะเพราะอะไรนสถานที่นั้นจะเป็นมงคลเพราะว่า สถานที่นั้นมีคนยืนเดินนั่งนอนแล้วเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานเข้าสมาธิฌานหนึ่งสองสามสสถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์ไม่ใช่ว่ามีไซ ส, สินมาวนลอบอาคารแล้วบอกนี่คือสถานที่เป็นทิพย์แล้ว หรือนี่เป็นที่ศักดิ์สิท์ลผีสางอะไรเข้าไม่ได้ที่ต้านทานจากมารที่หลบภัยจากมารที่ซ่อนตัวจากมารที่ที่มารไปไม่ถึงที่ที่มารมองไม่เห็นนคืออะไรคือปตมชานทุติยชานตติยชานจตุชานไม่ใช่ที่ที่มีสายศิลมบนนะให้เราก็ เข้าไปอยู่ในวงสายศีลบอกฉลนอดและะพ้นไปจากมานันนะไม่พ้นนะไม่ทราบว่าเราเอาความเห็นของใครนะแต่ความเห็นแบบที่ภิกษุในธรรมวินัยนีนะ้จำนวนหนึ่งเนี่ยทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นความเห็นของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นดังนั้นพระศาสดาเนี่ยกาชับนักหนาว่าภิกษุเธอต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคต เธอเป็นโอรสทันเกิดจากป่าตถาคตนะเธอเป็นทายาทแห่งธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นธรรมทายาทนะดังนั้นภิกษุเนี่ยต้องมั่นคงมากเลยต้องมั่นคงกับคำสอนของพระตถาคตและต้องรู้คำสอนของตถาคตว่าอะไรใช่อะไรไม่ใชนะ่การที่เรารู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่เนี่ยนะผู้เจ้าเรียกตรงนั้นว่าเป็นสติ นะสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่กันคนร้ายไม่ให้เข้าเมืองอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองไดนะ้นั้นผู้ที่ทำมิจฉาทิฐิอยู่เนี่ยพระองค์บอกว่ามิจฉาสติกำลังแวดล้อมเขาอยู่ในะขณน ะ, ะที่เขาทำความเพียร น, นั่ง่ายมนใส่ลงไปในน้ำอยู่เนี่ยนะผู้จ้าบอกนี่เป็นมิจฉาวายามะ เขากำลังทำความเพียนที่ผิดน่ากำลังนั่งไล่มนปลุกเสกก้อนดินให้มันขลังขึ้นมาน่ซึ่งหลายคนโจรหลายคนที่อมระอยู่ก็ถูกยิงตายกันไปหลายคนนะนะแต่เราก็ยังไม่เชื่อไม่เข้าใจกันอยู่นะไม่เข้าใจในคำสอนศาสดาของตัวเอง น, นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องของความที่อินทรีย์เรายังอ่อน อินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายังมีความอ่อนอยูนะ่ดังนั้นในความที่เราชาวพุทธเราบอกว่าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเราเป็นสาวกของตถาคตเนี่ยแต่ถ้าดูตามพระสูตรที่พระองค์บอกเนี่ยนะที่จัดไว้กับภิกษุชื่อสุภูติเนี่ยศรัทนะธาหรือว่า ความเป็นสาวกของของชาวพุทธเราเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยแทบจะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยดังนั้นถ้าเราประกาศบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธเนี่ยเรามีความเป็นพุทธตามที่ผู้เจ้าตรัสไปหรือเปล่าดังนั้นอย่าไปบอกว่าเอ๊ะทำไมศาสนาหายไปจากประเทศไทยไม่น่าแปลกเพราะว่าชาวพุทธไม่มีศรัทธาในพระตถาคตชาวพุทธมี มีศรัทธาในแบบที่ตนเองคิดเอาเองว่าฉันศรัทธานะถ้าบอกว่าเรากราบไหว้เราคือศรัทธาเธอก็กราบไหว้สารพระภูมิเหมือนกันกราบไหว้สารเช่าที่เหมือนกันกราบไหว้เทวดาเทพองนั้นองนี้นั่นนะเอาแสดงคุณก็มีศรัทธาในคนอื่นเหมือนกันนะถ้าคุณเอาตัวกราบไหว้มาเป็นตัววัดนะเ อ, เองลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธานั้นเป็นอย่างไร พระตาตาพทธตัดไว้ให้ดูว่าเขาเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ไหมนะอ่าเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็แทบจะหาไม่ได้แล้วมึงเนี่ยในในเมืองไทยเนี่ยนะอือเออลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาในทางพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยมีน้อยมากในหมู่ชาวพุทธ เรารักษาศีลกันกระท่อนกระแทน่นเราไม่ได้มีศีลกันเป็นปกตินะแม้แต่ภิกษุก็งงสับสนกับศีลตนเองที่พู้เจ้าวางศีลไว้สมระบบของพิสุพิษุณวันนี้ยมลงไปถามพระพระมีศีลกี่ข้อพระส่วนมากจำนวนหนึ่งจะตอบว่าผมมีศีลสิข้อนะ่ะอาตมาฟังอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะ่ะ แต่จริงๆพระมีสินเป็นพันๆข้อมากกว่า 2,400 ข้อมีสินสมกลุ่มนะกลุ่มแรกเรียกสัมปนะศีลานะกลุ่มที่สองเรียกสัมปนะปฏติโมขะปฏิโมขะสังวรสังวุตากลุ่มที่สเรียกว่าอาจาระโคจาระสัมปนาทั้งหมดเนี่ยต้องรักษาหมดนะและมีมากกว่า 2,400 ข้อนะเยอะมากอันนี้ก็ไม่ตรงมาตั้งแต่พระเลย ตัวภิกษุเลยนะนั้นพระองค์บอกสุคูตินะเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวลักษณะของผู้มีศรัทธาเป็นอย่างไรนะถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยต้องเป็นผู้มีศีลคือมีสัมปนะศีลาสำรวมแล้วในปฏิโมฆขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระนะและโคจรก็คืออาจาระโคจรสัมปนา มีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเห็นนะอย่างสัมปณ n ศีลาเนี่ยองค์จะบอกเลยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาอาชีวะนะของพิสุว่าห้ามปลุกเสกเพราะมันเป็นของสมณพรามหมณ์เราอื่นห้ามทำเครื่องรางของขังนะนะห้ามดูหมอดูเลิกดูยามนะห้ามทำน้ำมนต์นะ ห้ามทำพิธีปลูกเรือนนะการบนขอลาผลต่อเทวดาการบวงสวงการแก้บนการสอนมนกันผีบ้านเรือนนะครูเจ้าตัดอธิบายไว้โยมไปดูนี่ตัดไว้หลายสิบหน้ามากนะอันนี้ก็ถ้าดูในดีวดีย้อนเก่าๆนี้อาตมาจะอธิบายไว้ให้ตลอดแล้วก็ขึ้นประสูตให้โยมดูนะ นี่คือลักษณะของศีลที่เราไม่ได้เป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตของเราเองดังนั้นศาสนาพุทธจะเสื่อมไปโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวมันจะเหลือแต่แต่เหมือนกับสั ญ, ญลักษณ์นะเหลือแต่บาตรจีวรนนะแต่การทรงจําคําตถาคตและข้อประพฤติปฏิบัติไม่มีเมื่อทรงจํามาผิดข้อประพฤติปฏิบัติมันก็ผิดไปด้วยนะมันเริ่มมาจากการที่ ทรงจำได้ก่อนอย่างถูกต้องเมื่อทรงจำผิดปุ๊บการถ่ายทอดก็ผิดผิดผิดผิดผิดตามไปเรื่อยนะการประพฤติปฏิบัติก็ผิดผิดผิดผิดตามไปเรื่อยเราจึงมีรูปแบบการเดินจงกรมที่แปลกแปลกนะมีการย่องย่องเดินย่องๆ่องซึ่งมันไปตรงกับเชคุชิวัดที่ผู้เช่าเคยทำมาแล้วนะการเดินจงกรมแบบค่อยๆเดินช้าๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเดินช้าขนาดไหนนะพระองค์มีสติในการก้าวไปโดยอาการเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนจะพึงบังเกิดขึ้นโดยแม้หยาดแห่งน้ำสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันอย่าได้ลำบากเลยนะพระองค์เรียกสิ่งนี้ว่าเชคุชิวัตวัดในความเป็นผู้รังเกียจตรัสไว้กับพระสารีบุตรนะพระองค์ทามาแล้วแล้วก็มันไม่บรรลุผลอะไรนะ แต่เดี๋ยวนี้เราทํากันเต็มไปหมดเลยนะนิยมเห็นมาว่าการที่ไม่เป็นทายาทแห่งธรรมะของพระองค์เนี่ยการไม่ศึกษาพุทธวจนะมันมีผลเสียลามกันไปน ะ, ะดังนั้นการที่เราจะแก้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเราต้องมาศึกษาคําศาสดาของเราเองแล้วเราต้องมั่นคงเรากําลังต่อสู้กับอะไรเรากําลัง เอาวัตระข้อปฏิบัติของสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยออกไปจากคำสอนในธรรมวินัยนี้นะเราไม่ได้เกียรติพระกอรพระขอพระคอนะไม่ได้เกียรติตัวพระนะแต่เราตาหนิข้อปฏิบัติที่ผิดไปจากคาสอนพระศาสดาเพราะว่าโยมกาลังได้ข้อมูลที่ผิดเพราะพระแต่งเครื่องแบบของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ถ่ายทอดคำสอนของสมณพราหมณ์เราอื่นนะ มันงงกันตอนนี้นะนั้นพุทธวจนะจะเป็นตัวแยกแยะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เหมือนกับหลักมหาประเทศสี่ที่พระเจ้าวางเอาไว้นะว่าใช้เป็นตัวแยกแยะว่าเมื่อสมณพรามนะหรือพระ บ, บอกขึ้นมาว่านี่คือธรรมวินัยของศาสดาพระเจ้าบอกอย่ารับรองอย่าคัดการนะจำให้ดีเขาพูดอะไรเรามาตรวจในธรรมวินัยของตถาคน ใช่เขาบอกว่าน้ำมนเ์อ่าดีนะเอาไปลดนะไปอาบนะแล้วเป็นมงคลแล้ดิเอามาตรวจกับคําตถาคตเลยโยมก็จะเห็นว่าตถาคตตําหนินะว่ามันเป็นเดรลาชาญวิชาแล้วก็สั่งว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรลาชานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศินของเธอประการหนึ่งอันนี้เราไม่ได้จะเกรงใจใครขอให้เราเกรงใจพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง นะว่าคำพระศาสดานะเป็นอากาลิโกนะคำพระศาสดาพูดแล้วไม่มีการขัดแย้งกันนะคำพระศาสดาถูกกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดพู้เจ้าไม่มีพูดหลุดนะพูดพลาดพูดพร้อยพูดเพ้อเจอ้อคำหยาบส่อเสียดไม่มีพูดตรงพูดจริงนะดังนั้น เจ้สังกยะมหานามะเนี่ยบอกเลยว่านะ <c oughs> เขาบอกอย่างนี้ <c oughs> หากความบังเกิดขึ้นแห่งเหตุเฉพาะบางประการพึงบังเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้ <c oughs> คือฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆนะ์เขาจะเลือกพระพุทธเจ้าเห <c oughs> ็นไหมถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์ทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายเขาก็จะเลือกพระพุทธเจ้า ฝ่ายหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายสมณะเทพมารพรหมใดๆในโลกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังจะเลือกฟังพระพุทธเจ้านาะดังนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแบบนี้บ่านี่คือไม่ถูกต้องนี่คือไม่ถูกต้องนะอ่าเราก็ต้องฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเราต้องวางตัวพระลงเพราะพระคือในกอในขอที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ แล้วมุ่งศึกษาข้อมูลตรงนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ที่อาตมาเอาให้โยมดูมันเป็นข้อมูล 2,500 กว่าปีเก่าที่สุดในโลกนะเป็นข้อมูลจากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐซึ่งมีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยซึ่งทําในยุคราชการที่5และพระในยุครอห้าก็เอาข้อมูลนี้มาจากพระในยุคลอหนึ่งซึ่งทําเมื่อปี233 1นะตกลงข้อมูลที่เราได้ก็คือข้อมูลในสมัยลอหนึ่ง ส่วนพระในยุคลอหนึ่งเนี่ยลอกมาจากพระติบดกของลาวและลามันซึ่งลาวและลามันก็เคยยืมของเราไปประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชที่ส่งสมณทูตมาเก้าสายมาทั่วโลกมาถึงสุวรรณภูมิด้วยดังนั้นนั่นก็คือข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลสองพันรอยกว่าปีตั้งแต่ยุคพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ หลังผู้เจ้าปกรณิพานสอ0รปีโดยประมาณนั่นนี่คือข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกที่ถูกทรงจําและถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นโดยกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศในแต่ละยุคเนี่ยที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยปกปักรักษาไว้เหมือนเรากําลังรักษาคําของอาจารย์โน้นอาจารย์นี้เหมือนกันรักษาไว้แต่รักษาไว้ไม่ได้รอดนะเพราะว่าอาจารย์ในยุคแต่ละยุคก็มีชื่อเสียงแล้วก็หมด ไปหมดไปหมดไปแต่ใครจะอยู่ตลอดคำพระพุทธเจ้าจะอยู่ตลอดนะและคำใครที่ไม่มีผิดเพี้ยนคือคำพระพุทธเจ้านะอดังนั้นเราต้องทราบว่าถ้าเราจะรักษาชาวพุทธต้องรักษาพุทธวชนะต้องปกป้องพุทธวันะรัชกาลที่ห้าถึงใช้คำว่าให้พวกเราเนี่ยถนอมรักษาพุทธวัฒนานะดันะนะงนั้นการปกป้องตรเนี้มีมาตั้งแต่ในครั้งก่อนแล้ว รัชการที่หนึ่งเนี่ยปกป้องขนาดว่าถ้าพระทาผิดในประหารชีวิตเลยเราต้องการรักษาศาสนาพุทธมากเพราะว่ามันจะเป็นความเจริญและเสื่อมของศาสนาในการต่อไปเป็นนั้นมากและถ้าเราปล่อยให้ศาสนาพุทธแตกแยกไปเรื่อยๆด้วยการไม่ใช้คำสอนหนึ่งเดียวจากปากของพระผู้มีพระภาทเจ้าศา ส, สนาจะแตกไปแตกไปแตกไปมากขึ้นอย่างไม่มีที่สุดจบ ทุกคนก็จะบอกอาจารย์ฉันและปกป้องรักษากลุ่มของอาจารย์ฉันแต่ทุกคนไม่นึกถึงอาจารย์ที่ชื่อสิท ธ, ธัตถะนะทำให้คําของอาจารย์ชื่อสิทธัตถะเนี่ยเละเรียนไปแตกออกไปแตกออกไ ป, ออกไปเรื่อยเืนะเรื่องนี้ในประเทศลาวเนี่ย <c oughs> อาตมาได้คุยกับโยมอนุชาซึ่งมาเมื่อสามสี่วันนะ กำลังเดินทางกลับไปที่ประเทศลาวยอมพ่อยมแม่เข้ามาด้วยยมพ่อเขาก็เล่าว่าประเทศลาวเนี่ยระมัดระวังมากเพราะเขาเห็นตัวอย่างจากประเทศขเขมรที่เอาพระจากประเทศไทยไปแล้วทำให้แตกเป็นสองนิกาย mm hmm. น, ะ น, นะเขมรนะวันนี้มีพระแตกออกเป็นสองกลุ่มเหมือนประเทศไทยและหนักหนากว่าประเทศไทยเพราะเขายึดมั่นถือมั่นเคารพพระมาก นะทำให้คารวาสแตกออกเป็นสองกลุ่มด้วยยงจะแต่งงานกันข้ามนิกายไม่ได้ oh. นะอา่าไปก็แบบคนละเรื่องเลยนะทำพิธีกรรมบ้านนี้บ้านนี้จะแยกกันทันทีเลยนะเพราะพระสองกลุ่มนี้เขาจะแยกกัน oh. เขาจะไม่ลงอุโบสถร่วมกัน oh. เขาจะมีข้อวัดต่างคนต่างรูปแบบแต่งกันขึ้นมานะประเทศลาวเห็นประเทศขเขมรเป็นอย่างนี้ระวังมาก ประเทศไทยจะส่งอะไรเข้าไปนี่เขาจะสกลินเต็มที่เลยนะ เ, เขาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีนายกของประเทศลาวนะศรัทธานิกายหนึ่งในประเทศไทยแล้วนำเข้าไปแล้วก็ไปสร้างอยู่ได้ประมาณ5วัดสิวันนะเริ่มแตกแล้วนะปรากฏว่าพอเปลี่ยนนายกนายกคนใหม่ล้มหมดเลยบอกไม่ได้ ศานะ ส, สนาพุทธต้องมีหนึ่งเดียวนะนั้นลาวยังคงความสามัคคีเอาไว้ได้แต่เขาอาจจะไม่ทราบว่าในความเป็นหนึ่งเดียวนั้นต้องใช้อะไรนะนั่นคือต้องใช้พุทธศานะเดี๋ยวเราจ ะ, ะส่งพุทธศาสนาไปให้เขานะเขาจะรู้ว่าความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยทำได้ด้วยเหตุตรงนี้นะ ก็มายืนยันอีกคนหนึ่งนะจากฝ่ายทหารที่ทํางานอยู่ทางใต้นะาบอกพูดในเรื่องของความมั่นคงของชาติเนะี่ยบอกว่าก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเขมรเป็นอย่างนี้บอกเป็นอย่างนี้จริงๆนะประชาชนก็จะแตกเป็นสองฝ่ายตามพระเลยนะเพราะเขาศรทาพระฉนะนั้นถ้าเราปล่อยให้เต็มยัไปเรื่อย ๆ, ๆื่อยๆอย มันจะเดินหน้าหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าตอนนี้โยมแค่ถามเธอสายไหนฉันสายไหนยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุยกันสายกันไม่รู้เรื่องก็เออเ อ, อจบจบกันไปหยวนหยนกันไปต่อไปมันจะเดินหน้าหนักเข้าหนักเข้าทุกคนจะตีกรอบของตัวเองแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าเรื่อยๆโยมจะเริ่มคบกันไม่ได้นะแมันจะลามแตกไปถึงประชาชนทุกคนไปด้วย น, นี่เรียกว่าไม่เห็นภยัยในโทษแม้มีประมาณเล็กน้อย ภายมันกำลังเกิดขึ้นในพุทธศาสนาแล้วเราก็โยนหยนกันไปกันไปกันไปเรื่อยๆจนทำให้ <c oughs> ออวัตถระข้อปฏิบัติของสำนับาพามเราอื่นมันเฟื่องฟูขึ้นเฟื่องฟูในลักษณะ Ä แอบแฝงนะว่านี่เป็นคำสอนในพุทธศาสนาเพราะถูกทาโดยลูกศิษย์พระพุทธเจ้าซึ่งลูกศิษย์พรเจ้าเนี่ย ที่ทําอย่างนี้ผู้เจ้ามองว่าเขากําลังมีกิเลสคือกําลังประกอบมิจฉาอาชีวะมันเลี้ยงชีวิตได้ไงนะมันหาเงินได้หาทรัพย์สินได้นะเพราะฉะนั้นการปลุกเสกเครื่องรางของขังแต่ละคังทําเงินให้จํานวนมหาศาลนะอ่าก็นําพาคนเข้าสู่มิจฉาทิฐิมหาศาลมือนยันะนะอ่าผู้เจ้าจึงบอกว่านะผู้ที่นะดําเนินมักผิดและปฏิปทาผิด จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียต่อมหาชนเป็นจำนวนมากนะนั้นทุกคนจะพอใจแล้วว่าเรามีเครื่องรางของขั ง, งแล้วก็อุ่นใจแล้วนะแต่ไม่ได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเขาจะลืมลืมหลักการที่แท้จริงเหล่านี้ไปทันทีเลยดังนะนั้นชาวพุทธเราจึงไม่มีใครมาสนใจรักษาศีลเพราะอะไรนะเพราะมี ข อ, ของดีมีของขังพอละนะของขังจัดการได้ทุกเรื่องนะไปทำไม่ดีมาก็ได้เดี๋ยวขอของขังนะบนนะหัวหมูใบสีละครลำแก้ทุกอย่างจบเรียบร้อยนะอ่านะนี่คือความเข้าใจผิดการเดินเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิดังนั้นเลยกลายเป็นว่าพุทธบริษัทเรานับถือศาสนาพุทธเป็นโลโก้เฉยๆนะและความเป็นโลโก้นี้มันก็จะเสื่อมไปในอนาคตเรื่อยๆ เพราะเมื่อความเป็นอันิจังเกิดขึ้นเรื่อยๆขออะไรก็ไม่ได้ขออะไรก็ได้ขอหครั้งสิบครั้งไม่ได้เขี่ยทิ้งเลยหมดศรัทธานในศาสนาพุทธแล้วนี่เหรอศาสนาพุทธนี่เหรอดีเปลี่ยนศาสนาดีกว่าดังนั้นทุกวันนี้ก็มีคนเปลี่ยนศาสนาไปเปลี่ยนความเชื่อไปเพราะความเข้าใจผิดในศาสนาของตัวเองเ น, นี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างเห็นไหมนั้นเลยบอกว่าเราต้องเกรงใจพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่าไปอย่าไปเกรงใจวัตตะข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไปบำรุงสิ่งเหล่านี้นะผู้เจ้าจึงเรียกเป็นปาริจานุตริยะนะนะก็คือการบำรุงที่ผิดนะนะนะเราเริ่มสายผิดเราก็ไปบำรุงผิดด้วยนะพระองค์เรียกกันอะไรนะ การไปบำรุงสมณพราหมณผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดเพราะเราแยกแยะข้อมูลไม่ถูกเราก็เลยไปจนถึงการไปบำรุงนะไปสรัทธาไปบำรุงนะปาริจริยานุตริยานะปาริจาลิตานุตริยะเนี่ยก็คือการบำรุงตถาคตหรือสาวกของทถาคต นะสามกที่ถูกต้องด้วยนะดังนั้นเวลาเอาชื่อไปเนี่ยนะเอาข้อปฏิบัติไปด้วยนะอย่าเอาไปแต่ชื่อตอนนี้พระเนี่ยเอามาแต่ชื่อแต่ไม่เอาข้อปฏิบัติมาด้วยแล้วแถมยังไปเอาข้อปฏิบัติของสำนักพราหณ์เราอื่นมาด้วยนี่คือความน่าเป็นห่วงนะก็ ข, อ ใ, ขอให้พวกเรามีความระนักในตรงนี้นะว่าเรามีมีเพื่อนบ้านที่ที่เป็นตัวอย่างที่ทาให้เห็นถึงความ แตกแยก <c oughs> แตกแยกเพราะอะไรเพราะไม่ใช่คำสอนของพระศาสดา น, นั่นเองนะง่ายที่สุดเลยตรงนี้นะจุดเดียวปุ๊บแตกออกไปมันลามไปถึงเรื่องการทำสมาธิที่ไม่เหมือนกันนะโยมลองดูพระจำนวนมากจะพูดคำว่าคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิซึ่งผู้ช่าไม่เคยบัญญัติคำบัญญัติเหล่านี้นะถูกแต่งขึ้นใหม่ แต่ผู้สร้าบัญญาติปตมชาญทุติยชาญตติยชาญจตุยชาญหายไปจากความรู้ของเราพอใครมาพูดปตมชาญอะไรนะคําอะไรนะไม่รู้จักอาการสารนันจายจตนะคืออะไรไม่รู้จักนะรู้จักแต่คณิกะสมาธิอาจารย์ดิฉันบอกอย่างนี้เห็นไหมตัวพระจํามาผิดไถ่ทอดผิดไปเรื่อยๆรเรามีเครื่องวัดอริบุคลที่ผิดนะบางกลุ่มก็ไปตั้งคําว่าโสรถยานขึ้นมาแต่เขา กลุ่มในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ตั้งเองก็ไปจำจำตาราที่เขาพูดมาเมื่อพันกว่าปีที่แล้วแต่ไม่ใช่พุทธวัจจนะนะแล้วก็พยายาม <c oughs> เอาข้อปฏิบัติของตัวเองปฏิบัติแล้วให้รู้สึกว่าได้ตามนั้นได้เกณฑ์ตามนั้นนะนะซึ่งมันมันผิดตั้งแต่เกณฑ์วัดสอบแล้วข้อปฏิบัติก็พยายามนําไปสู่การวัดสอบตรงนั้นนะมันก็เป็นเกณฑ์วัดสอบที่ผิด ในความเป็นอริยะนะเนี่ยเราเราไม่ได้เห็นโทษภายในตรงนีนะ้มันเป็นทุกเรื่องเลยการตั้งแต่เรื่องพิธีกรรมการการจะได้เอกลักปัจจัยชื่อเสียงกิติยศต่างๆเนี่ยเราเข้าใจผิดนะเพราะมีคำสอนที่ผิดนั้นเราจึงปรับมา เป็นคำสอนของพระตถ า, าคดทีนี้บางคนก็พูดว่าเขาก็พูดคําตถาคดเหมือนกันแต่คํำต า, าคดไปถึงต้องเป๊ะๆครบๆทุกคำน ะ, ะไม่ใช่พูดแค่คำสองคำแล้วก็อธิบายมีหนังสือหนึ่งมีคนเอามาให้ดูเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้ า, าตัดว่าอย่างนี้การเดินจงกรมแล้วเขาก็พูดการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูขููแกนเหยียดแข น, นเขายกมาสักสองสามบรรทัด แล้วก็มาอธิบายว่าอต้องอย่างนี้นะค่อยๆ ย, ยกเท้าขึ้นมานะอยู่บนอากาศค้างไว้สักกี่นาทีแล้วก็ก้าวไปเท่าไหร่คาพวกนี้ที่เติมแต่งขึ้นเขายังคิดว่าเป็นคำพระพุทธเจ้าเห็นไหมออกมาเป็นหนังสือรูปแบบอย่างดีเลยเป็นหลักการสอนการเดินจมกลมนี่คือความไม่เข้าใจว่าคพผู้เจ้าเป็นยังไง เ, งเนี่ยนะ่ะคนก็เลยคิดว่าเขาก็สอนคำพระพุทธเจ้าท้งนั้นนะ่ะ ก็อันดับแรกแก้ไขตัวเองก่อนน ะ, นะารจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปก่อนเอาเราเข้าสู่ส ม, มาธิให้ได้ก่อนรู้ก่อนว่าอะไรคือคำสอนถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องนะควรจะไปเกี่ยวข้องกับเข้าไหมควรจะไปบำบรุงเข้าไหมควรจะไประลึกถึงเข้าไหมควรจะไปศรัทธาเข้าไหม ควรจะไปฟังไม้ควรจะไปเห็นไหมนะผู้ชเช้าก็ปิดกั้นไว้ในเรื่องของอนุตรยะหกประการเพนะ <c oughs> ราะการเข้าไปเกี่ยวข้องมันเป็นการเข้าไปเสพครบเราเสพครบสิ่งใดมากมันจะเกิดอนุสัยความเคยชินนะที่ติดเราไปนะแต่ถ้าเราเสพครบสิ่งที่ถูกต้องเป็นสมาธิมันก็จะติดเราไปเหมือนกันนะนะเราก็ต้องมา เสพกบในสิ่งที่ที่เป็นขุศลที่ถูกต้องคาสอนที่ถูกต้องซึ่งมันก็ย้อนกลับมาว่าคนคนนั้นมีศรัทธาในตถาคตรหรือไม่เห็ mm hmm. นมะถ้ามีศรัทธาในตถาคตพู้เจ้าก็จะบอกเลยเนี่ยเขาจะสั่งสมสุตตะในคำตถาคตเขาจะฟังคำตถาคตมากนะเราก็ต้องกลับไปดูเวลาเราฟังเราฟังคำของใครคำที่คนปรุงแต่งหรือเป็นคาจากปากตถาคตล้วน หรือสาวกที่นําคําตถาคตมาถ่ายทอดเหมือนกับพระอนุนก็จะบอกข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าได้ฟังคําตถาคตพูดมาอย่างเนี้ยว่าพระองค์เนี่ยพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพราทุกทุกรูปเนี่ยจะต้องใช่อย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดว่าอย่างนี้โยมก็จะเสมือนหนึ่งได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรไม่ต้องคิดใหม่ง่ายที่สุดเลยจําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอันไรจําไม่ได้พระองค์เนี่ยจําไม่ได้ นะนั้นถ้าเราสอนอย่างนี้คาสอนก็จะไม่ผิดเพี้ยนเราจะไปที่ไหนไปเจอสมณะคือพิขุในธรรมวินัยนี้ที่ไหนก็จะเหมือนกันทั้งหมดจะไม่ต้องมีมาถามว่าของเธอเป็นยังไงนี่เป็นยังไงเราจะมีหนึ่งเดียวคือคำที่ออกจากปากพระศาสด า, ศานะนี่ก็ให้ให้ทราบในเรื่องศรัทธานะ การเข้าไปศึกษาการเข้าไปบำรุงนะการเข้าไปได้เห็นได้ฟังการไประลึกสิ่งเหล่านี้นะอะไรที่ควรไปอะไรที่ไม่ควรไปอะไรก่อให้เกิดประโยชน์อะไรก่อให้เกิดโทษนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะจะให้ฟังคำสอนจากพระโอษฐ วันนี้จะให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความที่ผู้เจ้าเนี่ยตำหนิความแกนะ่บอกความแก่อันชั่วช้าเอ่ยความแก่อันทําความน่าเกลียดเอ่ยนะพระนลเนี่ยนะลูกพระกายของพระผู้มีพระภาคแล้วก็บอกว่าชีวิตวันของพรุผมไม่ p อง n สายสะละนะมีกายเหยื่อย่ยอนย่อนยานนะผู้เจ้าก็บอกเออ น, นะนะมันต้องเป็นเช่นนั้นเลยนะนะนะมีความ แก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มนี่แหละนะมีความเจ็บไข้ซ่อนอยู่ในความไม่มีโลกรนะ น, นั้นทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ต้องเจอนั้นเราเกิดมาแล้วได้มีโอกาสพบคาสอนพระศาสดาเข้ามาสู่ธรรมดินนายนี้นะพยายามให้เข้าจริงๆให้เป็นผู้ที่อยากรู้จริงๆว่าว่าพระผู้เจ้าสอนอะไรนะเรารู้จักแยกแยะอะไรที่ไม่ พระองค์ไม่เคยสอนเลยเราพวางไว้มันเป็นคำสอนสมณพังเราเปอะไรที่พระเจ้าสอนนะเราจะได้สมประโยชน์นะตามที่เรามาเป็นสาวกคือผู้ฟังคำของตถาคตที่เรียกว่าตถาคตสาวกโกสาวกตถาคตนะไม่ใช่เป็นสัญชัยปริพาชคสาวกหรือภาลทวาชะสาวกนะหรือชดินสาวกนะเราเป็น ตาาคตสาวกสาวกของระตาตาคตอันะนะนี้พระองค์ก็สอนเกี่ยวกับเรื่องตัวพระองค์เองก็มีความชลาภาพนะต้องแก่เจ็บตายนะไปเหมือนกับพวกเรานะหมดนั่นเองเพราะนั้นก่อนที่ความแก่เจ็บตายจะมาถึงนนะีพระองค์จึงบอกว่าให้เธอปาราบความเปลี่ยนเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว อย่าเน้นช้านะเพราะเมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วเนี่ยนะจะทำให้เราไม่เดือดร้อนใจนะไม่ั้นเราก็จะหวั่นไหวในจิตในใจนะว่าเวลาที่มีโอกาสดีๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปารบความเพียงเราไม่ได้ใช้เวลาของเราให้คุ้มค่านะไปกับนะสิ่งที่ถูกต้องนะเดี๋ยวตั้งใจฟังคำสอนจากพระโอษ โมตัสสะพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทุประวจจากพระโองคห้าร้อาสิบสเรื่องทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไปลำดับนั้นพระอานน์ผู้มีอายุ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วลูกคลมทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พรางกล่าวถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดทองเหมือนแต่กน และพระกายก็ยเหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์คล้องไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักสุโสตทานาะชิวหาและกายยาอานนท์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความชรามีซ่อนอยู่ในความหนความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรค ความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชวิวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุด่องเสียแล้วและกายก็เหยียวย่นหย่อนยานมีตัวค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายดังนี้โถเอย๋ยความแก่อันชั่วช้าเอย๋ย ความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ่ยกายที่พอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำดีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำดีหมดทุกคนเอววะ อยูตัวละตัที่รวันณัทปฏิภาณัทสุขัส t a ตาตาเมทาวีสุขังโสอธิขัตติอายุนัตวบาลังวันังสุขันจัปฏิภาณัทวทีกายุยาสาวาหติ a าตาย t u ุป p a จัตติ กาเลตันติสัพัญญาวัตันจุวีตมะจาราเอหนตินังอริยสุจุปเทสุตาติสุเวปัสสนามาณตาสาวิุลาโหติตาคินาเยตัตถานุโมตันติวยาวัจจังกะติวานาเตนาตาคินาโอนาเตปิุญญสปากิโน ตาสมาธาเทอปติวานะจิตโตยทธาทินังมหพลังปุญญาณิปะโลกัสสัิงปัตติตาหนติพาณินันติ